นาคลองบางหลวงหรือว่าบางกากใหญ่ทั้งสองนามนี้ถ้านับเรือค้าขายผลไม้ทุกชนิดจะจอดกันทั้งสองฝั่งปากคลองนับตั้งแต่ซีกหนึ่งด้านวัดกัญญาณมิตรอีกซีกหนึ่งเป็นป้อมทหารเรือและเลยเข้าไปจนจอดวัดท้ายตลาดเรือค้าเหล่านี้ยึดปากคลองบางกากใหญ่เป็นตลาดค้าทีเดียวจะซื้อขายแต่เช้ามืดจนค่ามีเรือของชาวบางกอกมาซื้อสินค้าที่นี่เพื่อเอาไปขายต่อ เพื่อที่จะหวังผลกำไรเรือค้าชนบทเหล่านั้นเมื่อขายสินค้าหมดลำก็จะกลับไปยังจังหวัดของตนบรรทุกสินค้ามาอีกวนเวียนอยู่แบบนี้เป็นประจำในสมัยนั้นหอมกระเทียมและพริกหลายชนิดมะม่วงฟักทองแตงโมมักจะมาจากอัมพวาบางช้างดำเนินสะดวกบางนกแขกรวมทั้งมะพร้าวแห้งน้าตาลเผือกมัน แทบจะทุกอย่างที่เป็นของบริโภคมักจะผ่านมาจากอําพวานครชัยศรีเป็นส่วนมากตกเวลาค่าคืนเท่านั้นที่เรือค้าเหล่านั้นจะได้พักผ่อนแรงงานของตนทุกลำจะจุดไฟสว่างแล้วก็พูดคุยกันบ้างก็ร้องรำทำเพลงไปตามวิสัยตอนท้ายของเรือสมปั้นประทุนนั้นจะใช้เป็นครัวทำอาหารและที่นั่งเล่นทั้งเป็นที่นอนไปในตัวตอนกลางบรรทุกสินค้าทั้งหมด ตอนหัวเรือเป็นที่นอนของลูกจ้างหรือลูกหลานเรือยนต์จะหมดในเวลาค่าคืนจึงเงียบเสียงทั้งคลื่นก็ไม่มีจะทำให้เรือโคลงมีอยู่คืนหนึ่งนั้นเป็นที่มาของอัมพาแห่งความหลังเรือเพลงเร่ลําหนึ่งเป็นเรือแบบเรือจ้างไม่มีประทุนมีผู้แจวท้ายและพายหัวเคลื่อนเข้ามาในคลองนี้อย่างช้า กลางลำมีซออู้และชิงฉาประโทนรมนาเอื้อนโอดเพลงเข้ามาอย่างเพาะพริง้งด้วยฝีมือซอชั้นดีทีเดียวการกระทำของเรือลำนี้เป็นไปนในแบบเรือขอทานจะขอทานเพียงผลไม้ผลหนึ่งที่มีก็สุดแต่จะให้ทานแล้วสีซอให้ฟังเป็นการแลกเปลี่ยนในค่าคืนที่มีความเงียบเสียงซอก็ลอยเด่นชวนฟังนัก และยิ่งเป็นฝีมือซอชันเยี่ยมก็ฟังวังเวงอยู่ทีเดียวเสียงแหบโหยโรยร่อนเข้าชิดเรือค้าทั้งหลายลำพร้อมกับเพลงในทางมอนโอดครวญโหยให้พร้อมกับคำร้องในเพลงนั้นได้ระบายความทุกข์ยากในชะตาตนและขอทานตามแต่ศรัทธาของชาวเรือค้าเหล่านั้นของที่ให้ทานนั้นก็คือของที่มีไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหม้อฟักทองเผือกมันเรือค้าเหล่านั้น ก็ยินดีให้ปันโดยใจจริงและเรือลำอื่นๆที่ยังไม่ได้ฟังเพลงใกลๆ้ๆก็คอยท่าอยู่ว่าเมื่อไหร่ลำเรือเพลงจะเทียบเข้ามาก็จะให้ของที่มีอย่างเต็มใจเช่นกันเพราะนิยมขอทานชนิดมีวิชาแลกเปลี่ยนกับของที่ให้ทานเรือค้าลำหนึ่งจอดถัดมาผู้ควบคุมเรือเป็นหญิงเท่าใช้ลูกหลานเป็นลูกเรือทั้งหมดหญิงผู้เท่าตั้งใจไว้ว่าถ้าเรือเพลงเฉียดมาจะร้องเรียกให้แวะ เพราะขณะนั้นเรือเพลงยังบรรเลงให้เรือค้าอีกลำที่อยู่ใกล้ๆนั้นด้วยเพลงแขกมอนรู้สึกว่าช่างเพราะจับใจในฝีมือซออู้นั้นนักโอดครวญอยู่อย่างสะอึกสะอื้นตามเนื้อร้องที่มีเรื่องน่าสงสารเมื่อสีทางโอดไปแล้วก็วกเข้ามาทางพันอย่างเหมาะไม่ช้าไม่เร็วสำนวนคลุกพันฟังไม่น่าเบื่อหูสำหรับไม่เท่าที่ฟังอยู่ ลูกหลานรู้ดีว่าผู้ฟังมีความรู้ทางดนตรีไทยเมื่อฟังฝีมือขอทานลำนั้นก็รู้ทันทีว่ามีฝีมือดีชั่วแค่ไหนและฟังแล้วเหมือนใจจะกลับนึกถึงใครสักคนหนึ่งที่พลัดพรากจากกันไปนานแล้วสำนวนเพลงช่างถอดแบบคนที่นึกถึงนั้นยิ่งนักพอจบเพลงแขกมอนแล้วเรือค้าลำที่ฟังก็ตกมือชอบใจและให้ของตามที่ผู้บรรเลงขอคือเผือกมันฟักทองและน้ำตาลมอ มอบให้โดยเต็มศรัทธาซึ่งนานๆจะมีแบบนี้สักทีที่มีขอทานที่มีความรู้แลกเปลี่ยนกับของที่ได้ให้อย่างดีเพราะหูนักพอเรือเพลงเร่ได้ผลาจากเรือค้าลำนั้นเรือแม่เท่าที่คอยอยู่จึงตะโกนเรียกให้แว ะ, ะเอินทั้งนี้หน่อยจ้าแม่เท่าเรียกคนจ่าเรือเพลงก็วาดหัวเข้าไปคนพายหัวเกาะเรือแม่เท่าเป็นอย่างดี ซออูเริ่มสีเป็นทำนองเพลงขอทานชิงฉาบก็ตีสำทับ พ, พร้อมกับโทนตีแบบขอทานคนร้องก็โหยเอื้อนเนื้อเพลงร้องขอทานท่านเจ้าขาท่านใจบุญได้จุนจานโปรดให้ทานคนยากบากมาขอจะมากน้อยพอค่อยเป็นลาบคอฉันจะก่อลำเพลงบันเลงกลายครูค่าว่าไว้แต่ไรมา จากถิ่นอำพวามานานหลายด้วยชีวิตลิขิตในบ้านปลายหมดที่หมายไรที่อยู่จนอู่นอนตามลิขิตชีวิตจะผิดหรือถูกฉันเป็นลูกศิษย์ครูเหลือเอื้อเฟื้อสอนเฝ้านิยมแต่เพลงบรรเลงกลอนว่าวนโหยให้ด้วยใจสมัครมีรักไม่สมรักเป็นห่วงหนักน่วงเครื่องวัดตวงประท้วงวะถ่วงศักดิ์ ไม่สมกับคู่ไม่ชูพักจึงหนีรักร่อนมาชะตากรรมพลัดรักพลัดถิ่นแทบสิ้นแรงแต่ใจแข็งมั่นรักหลักประจำแม้ยากจนพลนนักรักไม่คว่ำขอปลูกปล้ำใจสู้อยู่ผู้เดียวเขาลืมรักได้ให้ลืมไปแต่ฉันไม่ลืมลงคงแน่นเหนียวไม่รักก็ช่างขอรักอยู่ข้างเดียว ไม่ลดเลี้ยวจนกว่าเวลาตายท่านเจ้าขาเมตตาหน่อยฉันบุญน้อยกรรมสดหมดที่หมายให้ทานฉันด้วยช่วยกันตายท่านจะหมายสิ่งใดได้สมอารมณ์เอย่ย คนร้องคนซอหยุดอยู่แค่นี้แล้วร้องขอด้วยปากธรรมดาว่าท่านเจ้าขาโปรโดเมตตาอย่างที่เคยเถิดพอขาดคำเสียงผู้เท่าก็ร้องให้สำลักออกมาเสมือนจะกินใจถึงใครสักคนในความหลังอันความหลังความเก่าใครจะรู้ว่าใครมีเพราะต่างเก็บไว้ในใจด้วยกันทั้งนั้นใครเล่าจะนึกว่าผู้หญิงเท่าคราวย่าคราวยายจะเกิดมีอัมพ า, าแห่งความหลังขึ้นดังนี้ คงจะกินใจในคำที่ว่าครูฆ้าว่าไว้แต่ไรมาจากถิ่นอัมพวามานานหลายและอีกคําหนึ่งที่ว่าฉันเป็นลูกศิษย์ครูเหลือเอื้อเฟื้อสอนแม่เท่าอาจจะมีอะไรอะไรกับครูเหลือแห่งอัมพวาบางช้างสมุดสงครามก็เป็นได้จบแล้วลูกหลานก็หยิบกล้วยหยิบอ้อยและฟักทองให้ทานไปเรือเพลงได้ผลักเรือเคลื่อนจากไป ซออูได้สีเป็นเพลงสังขาราคนร้องก็ผนมมือแล้วก็ว่ากรอนลาขอลาแล้วลาร่อนเหมือนก่อนเคยจำชั่วเชยก้มหน้าชะตาหลังมีกรรมอย่างไรก็ไปตามพลังหมดความหวังท่องโลกโศกหนาตกรรมเกิดชาติหน้าหากฤดีพอมีหวังจะมุ่งตั้งตามติดไม่คิดหาย ชาตินี้เกิดผิดก็ผิดจนตัวตายต่อคลี่คลายชาติหน้าจะมาเชยแม่เท่าตั้งใจฟังทุกคำร้องพอจบกลอนก็ร้องไห้เหมือนใจจะขาดจัดว่าเป็นคราวของแม่เท่าได้พบการเตือนใจระลึกถึงความหลังเมื่อครั้งที่ยังสาวๆอยู่เธอเป็นลูกสาวสวยของท่านกำนันผู้มั่งคัง่งเจ้าของไร่มะพร้าวแห่งอัมพวามีบ่าวไพร่มากมาย บ่าวไพร่านายหนึ่งนั้นชื่อว่าในเหลือเป็นครูดนตรีไทยประจําวงในบ้านของกำนัน อ, นอน้นและไม่เท่านี้เมื่อสาวสวยชื่อประกายเพชรได้เรียนดนตรีไทยตามเชื้อแถวของเลือดอัมพวาเธอเรียนทางร้องและทางดีด จ, จะ๊เก็เรียนกันไปเรียนกันมาก็เกิดรักกับครูเหลือเข้าและต่างรักษาจะปิดบังเป็นความลับด้วยรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าท่านบิดารู้เข้าจะวุ่นวายนัก พวกไพรในบ้านรักลูกสาวนายไม่ใช่ของที่จะระงับความโกรธของบิดาไปได้เลยยิ่งท่านกำนันอ้นเป็นนักเลงชื่อดังในบางนั้นไหนจะยอมให้คนที่เป็นไพร่ในบ้านลูบคมถึงในมุ้งได้แต่ว่าเรื่องความลับใดๆใครก็รู้ว่าจะปิดเป็นความลับกันไม่ได้ในที่สุดท่านกำนันก็รู้เข้าจนได้ในฐานะนักเลงเก่าใครจะมาสวมเล่นง่ายๆย่อมเป็นไปไม่ได้ในวันหนึ่งนั้น กำนันยอดนักเลงได้เรียกไพร่สุดรักของแกไปพบกันเฉพาะตัวจะพูดกันอย่างชาติชายใจนักเลงไม่พูดอย่างผู้มีอำนาจและต้องการใช้ทางสันติการจะปล่อยเรื่องไปจนถึงขั้นสุดท้ายก็ขายหน้านักหรือหากว่าจะคิดตบแต่งซะยังไงก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีนั่นเองซึ่งในฐานะเป็นไพร่ในนั้นแล้วได้ลูกสาวนายถ้าจะทากันแบบนักเลงใหญ่เพื่อรักษาเกียรติคือฆ่าทิ้งและปิดความ แต่อย่างไรอย่างไรเจ้าเหลือคนไพร่ก็เป็นที่รักอยู่นักนะจะทําตามนั้นไม่ได้จึงหาทางแก้ไขยอย่างสันติไอ้เหลือเอ้ยเองก็เป็นคนที่ข้ารักที่สุดแต่เองกําลังจะทําอะไรอยู่ในเวลานี้เองรู้อยู่แก่ใจนะกํำนันโอนพูดกับไพ่ของตนอย่างช้าๆและเบาเพียงได้ยินเท่านั้นในเหลือได้ยินนายพูดดังนั้นก็ตัวแข็งไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรในเหลือกลัวท่านกํานันผู้มีพระคุณเป็นล้นพ้น ทั้งหัวใจที่นายรักนั้นก็เหลือหลายไม่ได้กลัวว่าเป็นนักเลงใหญ่ในเหลือคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดลมหายใจเข้าออกว่าท่านกำนันรู้ความลับนี้หากโกรธเคืองจะเอาถึงชีวิตก็ยอมได้เกิดมาแต่น้อยจนใหญ่นี้ก็ได้บุญของท่านเกื้อกูลอุ้มชูเมื่อมาเกิดล่วงรู้ว่ารักลูกสาวท่านดังนี้ก็สมควรได้รับโทษโดยดีไม่หนีหายเอาละ เองไม่กล้าจะพูดอะไรก็ตามทีเพราะว่าเรื่องมันก็จริงอยู่อย่างว่าข้าพูดกับเองครั้งนี้ใช่ว่าข้าจะพูดอย่างไม่เห็นใจมนุษย์นะเรื่องรักนั้นมันห้ามกันไม่ได้หรอกในโลกเนี่ยแต่ว่าเองจงคิดเถอะว่าการกระทําของเองเนี่ยมันเป็นการตอบแทนข้าผู้ที่รักเองล้นหัวใจแล้วเองตัดคอข้าอย่างชัดๆเรื่องรักเนี่ยถ้าเองเพียงอยู่ในใจข้าไม่ห้ามแต่เองปล่อยเลยหัวใจจนแดงออกมานั่นก็คือเองตัดคอข้าตรงๆ เองก็ชายหนึ่งผู้มั่นในกาตันอยู่เองจงคิดเอาเองว่าทางใดเล่าที่เองจะทําให้เกิดสันตินี่ข้าก็ขอร้องด้วยปากมิได้ทําตามอํานาจที่ควรทําท่านกนํานันออนพูดเนือยเนื่อยไม่มีทีท่าดุร้ายแต่อย่างใดแต่ว่าคําและความนั้นมันลึกเข้าหัวใจในเหลือทําให้กลัวซะยิ่งกว่ากํานันกําลังถือดาบหลายเท่าค ร, ครับผมในเหลือตอบเมื่อคิดถี่ท้วนแล้วผมจะทําให้เกิดสันติครับเออ ขอบใจเองเว้ยไอเด็กสุดรักของข้าข้าพูดเท่านี้แหละเว้ยแล้วท่านกำนันก็จากไปนี่แหละคือความหลังแห่งอัมพาครู่เหลือตัดใจหลบหนีออกจากบ้านที่เคยเกิดเคยกินออกเร่ร่อนเข้าบางเกอกด้วยความยากแค้นแสนเข็นโดยทางกำนันและแม่ประกายเพชรไม่ได้พบหน้าอีกเลยมารู้คราวหลังก็ตายไปแล้วจึงมีแต่ความสงสารและความอาลัยอยู่ไม่หายเรือเพลงลัมนั้น ได้จากไปและหายไปในความมืดของลำคลองเสมือนว่าเรือลำนั้นไม่เคยมีอยู่จริงในโลกนี้อา น, นิจจาอัมพวาแห่งความหลัง